ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องชี้ชัดประมัดส ม, มุติโดยพ่อท่านพระปทิรักษ์เมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2531ณนะพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นะับบัดนี้ อารามาพูดถึงสัจจะคำว่าสัจจะนี่แปลว่าความจริงมันมีสมมติสัจจะกับปรมาทัตรสัจจะซึ่งเราจะต้องศึกษาให้ละเอียดละ อ, อทีเดียวสมมติสัจจะหรือ universal truth สมมติสัจจะนี่เป็น universal truth เป็นความจริงสากลเป็นความจริงทั่วไปส่วนกวา้างเป็นความจริงนะในสังคมรู้ร่วมกันสมมุติสมมติ เป็นมติที่รู้ร่วมกันถวถึงกันเป็นส่วนมากเลยละเพราะฉะนั้นแม้แต่ใครจะมาถ้าสมมติว่าเป็นกฎหมายประเทศเียเป็นสมมติกฎหมายประเทศถือเป็นสัจจะเป็นกฎหลักของสังคมหมู่นี้กลุ่มนี้ใครจะปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้อย่างนี้เป็นตน้นเพราะเราอยู่มูออโศกเราเข้ามาฟังกฎฟังระเบียบของชาวอโศกแล้วมาในนี้จะปฏิบัติเขาก็ให้ไปพบ ปฏิสัทธิ์แล้วก็ไปรับคําบอกคําเล่าที่ควรจะรู้พึงตนพื้นฐานอะไรซะก่อนแล้วอยู่ในนี้ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกตามหลักตามกฎนั่นน ะ, ะเขาก็บอกไว้แล้วมีวิธีการมีระบบระเบียบวิธีอะไรอยู่แล้วก็ทําให้เข้าใจให้ทําให้รู้ทำให้ตรงตรงกฎระเบียบอย่างนี้และมันจะอยู่กันอย่างสุขเย็นจะอยู่กันอย่างมีความเจริญไม่ขัดไม่แยง้งไม่ทะเลาะเบาแวงไม่มีอะไรเกเรเกรตุงอะไรมันจะไปได้รอบในร่องของมันอย่างดีอย่างงามะ สมมติทศัจจานิใช้มากใช้กันมากใช้กเป็นเบื้องต้นแล้วก็พยายามช่วยกันทำพยายามช่วยกันเป็นตามสมมติทศัจจให้ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่สูงสุดผู้ที่พ้นสมมุติแล้วจะใช้สมมุติเป็นและจะเข้าใจโลกวิทูจะเข้าใจฐานะของฐานะต่างๆ แล้วก็จะไม่ฝืนฐานะใดๆไม่ใช่ไม่ฝืนไม่ใช่ไม่ไม่ไปรวนเรกระฐานะใดๆแต่จะมีคาขัดขัดเกลาอยู่นะผู้ที่สูงแล้วนี่มีภูมิมาทำแล้วนี่จะขัดเกลาแต่ไม่ใช่ทำเพื่อให้เกเรเพื่อให้ตกต่ำเพื่อให้เสื่อมเสียแต่จะทำให้ดีขึ้นขัดเกลานั้นก็ดีขึ้นตามยานปัญญาของผู้สูงนั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจนะ และทําตามสมมุตินั้นๆได้ผู้ที่สูงแล้วจะทําตามสมมุติของสังคมหรือหมู่กลุ่มได้ได้ทีเดียวในธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นโอไม่ใช่ในธรรมะในศาสนาในศาสนาที่จะเรียกว่าในลัทธิก็ตามของพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธนั้นมีสัจจะทั้งสองอย่างคือมีธรรมะกับวินัยธรรมะก็เรียกสมมติธ ร, มรรมธรรมก็ได้เรียกปรมัตทธรรมก็ได้ถ้าจะเรียกรวมๆกลางถ้าจะแยกไว้ก่อนเลยก็ธรรมะ ถ้าจะถือว่าปรมัตาสูงสุดเป็นปรมัตธรรมก็คือตัวธรรมะเป็นตัวสูงเป็นตัวบรรลุเป็นตัวหลุดพ้นเป็นตัวเหนือเหนือสมมุติน่าเรียกว่าปรมัตธรรมส่วนอีกอันหนึ่งนั้นน่ะไม่ได้เรียกปรมัตธรรมเรียกสมมติธรรมแน่ๆคือวินัยมีสองอย่าง ส, ส, pounds, ส, fashion, ส, ส, ส, สัจจะต้องมีสองอย่างมีธรรมะสัจจะกับวินัยสัจจะหรือสมมติสัจจะกับปรมาสุกสัจจะ ในปรมัตสัจจานั้นรู้สมมุติและทํากับสมมุติได้ถูกต้อง tables, สอดคล้องสมสั์สมส่วนในปร ม, ม, มัตสัจจ์มีสมมุติมีปรมัตเองและก็มีสมุดรู้สมมุติทํากับสมุติได้อย่างสอดคล้องจึงราบรื่นสันติสุขผู้มีปรมัตจึงราบรื่นสันติสุขอยู่ที่ไหนก็ราบรื่นสันติสุขเพราะเป็นผู้มีปรมัตสัจจ์ส่วนสมมุติสัจจานั้นไม่มีปรมัตสัจจ์ ก็ได้ไม่มีก็ได้ขอให้ทำถูกต้องตามสมมุติสัจจะก็เป็นไปดีแล้วแต่ตนเองไม่มีตัวพ้นทุกข์ไม่มีตัวอํานาจโลกุตระตัวเองไม่มีเพราะตัวเองไม่ได้เป็นปรมัติสัจจะไม่มีปรมัตถธรรมไม่ได้ปฏิบัติตนจนกระทั่งขัดเกลากายวาจาใจจนใจนั้นจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นตัวอรหัตผลเป็นตัวอริยะคุณที่แท้เพราะฉะนั้นยังไม่แน่นอน ยังไม่ประมัติสูงสุดยังไม่มีสัญญาญานิจานิยังไม่มีความเที่ยงยังไม่มีถึงขั้นพุทธศาสาโลกรถเมหิจิตตังยศานักกรมปติแข็งแรงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็ยังไม่มีอเนียนชาก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นก็แปรปรวนได้ง่ายจึงยังเป็นอนิจจังเป็นโลกโลกอยู่แต่ก็ถ้าเผืว่ายืนยันได้ว่าทำตามหลักตามกฎของสมมติสัจจะได้ก็ยังคงพอไปแต่ถ้าได้ปฏิบัติทำจริงๆแล้วฝึกฝนตนเองทําให้ตนเองเกิดประมัติสัจจะด้วยด้วยด้วยด้วยด้วย ก็จะอยู่กับส ม, มุติีสัจจานั้นได้และมีปรมัตสัจจะเป็นอำนาจเป็นริษแรงในตัวเราตัวใครตัวใครก็เหมือนกันจะได้สัจจานั้นเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆในปรมัตสัจจะนั้นมีความรู้และความเป็นของสมมุติีสัจจายู่ด้วยแต่ในส ม, มุติีสัจจะนั้นไม่มีปรมัตสัจจะก็ย่อมได้ดูเดียวๆได้แต่ในปรมัตสัจจะไม่มีส ม, มุติีสัจจะไม่ได้ มันได้ทั้งสองส่วนปรมามตสัจจา mantra, มันได้ทั้งสองอย่างเห็นมันมากาไรมันร่ารวยเห็นมันมาร่ำรวยปรามตสัจจานมันร่ำรวยแต่สมมติทสัจจานั้นจะได้ปรามตสัจจามาสักนิดสักน้อยก็ต้องเอาต้องทําเพียรเอายากนะได้มากก็บุญของเขาใครได้มากก็ได้ปรามตสัจจ์ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าได้บรรลุปรามตสัจจ์สูงสุดก็ได้ทั้งสมมติได้ปรามตแต่ถ้าใครไม่ได้ปฏิบัติปรามตสัจจ์เลย ไม่ได้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเลยไม่มีโลกุตรธรรมเลยก็ไม่ได้สมมตินั่นแหะอยู่น่แะแปรปรวนอันนี้จังไม่เที่ยงไม่แท้เป็นทุกข์นะเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นที่ยึดที่ถือเป็นที่ติดที่หลงก็หลงห ง, งติ ด, ตดอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวสมมุติก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะอ่ะทีนี้มาเห็นความสาคัญของสมมติให้มากขึ้น เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเรามีกฎระเบียบบอกแล้วว่ากฎระเบียบต่างๆนี่เป็นสมมติที่เราอยู่ร่วมกันได้เนี่ยเพราะเรามีสมมตินั้นขยายความแล้วนะสมมติแต่ต้นแล้วว่าเป็นมติร่วมกันเป็นการตกลงร่วมกันมติตกลงร่วมกันว่ากำหนดเอาอยังงี้เป็นอย่างงี้เมื่อตกลงร่วมกันเป็นมติออกมาแล้วสังคมนี้ก็ทำตามมตินั้นให้ต่อเนื่องไปอย่าแปรปรวนอย่าเปลี่ยนแปลง ยังไม่ได้เปลี่ยนก็ไม่ถ้กไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็เป็นที่รู้ว่าเราเปลี่ยนแล้วนะเราอนุโลมนะเรายืดหยุนนะก็ต้องบอกกันไปว่ายืดหยุนบอกกันไปว่าอนุโลมบอกกันไปว่าเปลี่ยนแปลงแล้วอันนี้ไม่เอาแล้วเอาอันใหม่ก็บอกกันไปให้ชัดเจนนี่เรียกว่าสมมุติแล้วเราก็ทําตามกฎตามระเบียบตามมติอย่างนี้ไปตลอดมามันก็เป็นไปได้ดีแล้วในวินัยในกฎในระเบียบในหลักนี้จะส่งเสริมให้เป็นผลประโยชน์ขัดเกลา ตัวเราให้ได้ปรมาทัศนสัจจะด้วยสมมติสัจจะเนี่ยศีลก็เป็นสมมุติสัจจะศีลตัวที่ยัง singing, human, ood, path, away, ไม่สมบูรณ์นะตัวที่ยังปฏิบัติอยู่ยังไม่ได้เป็นตัวศีลที่บรรลุหรือศีลที่ตัวที่เป็นตัวสภาพจริงจนเป็นปกติจนศีลนั้นปฏิบัติได้จนเป็นปกติไม่ขัดไม่ฟืนไม่อยากไม่ลำบากลงตัวแล้วเรียบร้อยยังไม่เป็นศีลที่สมบูรณ์อย่างนั้นยังไม่เป็นศีลที่บริสุธิ์ด้วยองค์สุดท้าย สิ่งสิจะบริสุทธิ์ด้อง์ใดองค์ใดองค์ใดก็บริสุทธิ์เพราะว่าสี่งนี้ต้องมีความไม่มีเอาวิปัสสนาอะไรไปไล่จนกระทั่งถึงสุดท้ายก็ถึงวิมุตตินั่นแหละเราก็เรียนมาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสสอนไม่หมดแล้วเราก็เอาหยิบมาเรียนแล้วด้วยอธิบายกันมามากมายด้วยนะหลักสีนี่อยู่ในข้อการจาชื่อสูตรได้ด้วยซ้ำอันะอนชื่อกิมัตนะิยสูตรสูตรกิมัติยสูตรซึ่งเราเอาเขียนเคยเขียนติดเอาไว้ที่ไหนๆหนไหนด้วยซ้ำไป รองธรรมเผ่า พ, พูดได้ไม่ได้ปฏิบัติเลยแต่มั่นคงในสมมุิที่ศักดิ์สซื้อตรงตามหลักกฎระเบียบวินในก็ดีก็อยู่ได้อ ย, อยู่กับมูอไม่ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกันสันติสันติสุขได้ด้วยแต่ใจเราอาจจะไม่สงบนะใจเราอาจจะต้องต้านต้อ ง, งแย้แย่งต้องกดต้องข่ม ต้องสู้ไหมมันไม่ไว้นี่นะมันก็ทางเป็นองนั้นไปแต่ถ้าได้มาฝึกมาปฏิบัติเข้ามันก็จะไม่กดไม่คมมันก็จะไม่ฝืนไม่ต้านมันก็จะเข้าใจโดยญาณปัญญาจิตเราก็อ่อนดัดได้ดัดได้ปรับได้ปรับได้ปรั บ, รบให้เป็นไปตามศีลที่กําหนดหลักกฎที่กําหนดวินัยที่กําหนดเป็นไปดังอย่างสบายใจปล่อยวางได้สบายเป็นไปตามที่เขามีมติอย่างไรมีกฎระเบียบอย่างไรเข้าใจให้ดีนะพวกเราเนี่เวลากําหนดกันมีมีมตินอนมตินี่แล้วเใ็จแล้วเราก็มาด้านดันดื้อๆอย่างนั้น ก็ไม่เอาตามเอ๊ะไม่เอาตามได้ไงอยู่อยู่ในคนหมูน่นี้มีม ต, ติอย่างนี้มันก็เลยรนุรนรในเร Blue กันอยู่นั่นแหะแต่ถ้าเผื่อว่าพวกเรานี่รู้ว่าเออมีเมื่มมอมีม ต, ติแล้วก็ทำตามมตินี้อย่าไปรวนไปเรอู้มันจะเรียบร้อยมากที่สุดเลยแล้วจะมีพลังพลั ง, ลงปุ๊บปุปปป๊ไม่ต้องมาเสียเวลาไม่ต้องมาคา่ามาแย่งมาต้านช้าดึงกันไว้ถึงไว้ชายึ่งยึโยกแยกโยเยกันอยู่อย่างนั้นนะถ้ามันไม่มีโยกแยกโยเยไม่มีต้านไม่มีโอ้โหไวอะไรปุ๊บแล้วเร็วด้วย เป็นความเจริญก้าวหน้าที่ดีมากทีเดียวฟังดีๆนะนี่คือกำลังอธิบายลักษณะของสมมุตริรู้ร่วมกันทําร่วมกันปรึกษาหารือกันจะเปลี่ยนแปลงกับเปลี่ยนแปลงกันร่วมกันรู้ร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินนี่เป็นไปได้ดีอย่างนี้สมมุติจะต้องใช้ในโลกนี้ไม่ใช้สมมุติไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะยูนิเวอร์แซลทรูสเนี่ยเป็นความจริงของสากลเนี่ยยูนิเวอร์แซลเนี่ยยิ่งใหญ่นะ รู้ร่วมกันในสากลหมู่เล็กก็หมู่เล็กหมู่เราสากลหมู่ของกลุ่มอสส ก, ก็กลุ่มอสสกหรือแม้แต่ของประเทศแล้วก็รู้กฎระเบียบวินัยของประเทศกฎระเบียบวินัยหลักเกณฑ์ของประเทศวัฒนธรรมของประเทศแล้วก็รู้แล้วก็ให้สอดคล้องในสิ่งที่ดีอันไหนที่ไม่ดีเลยเห็นว่ามันพังมันเสื่อมมันสลายหรือว่ามันเบี้ยวมันบูดไปแล้วมันไม่เขาต اه เราก็บางทีเราก็ตานตานแล้วเราก็มายืนยันว่าเราตานนี้จะเกิดผลดีอย่างไร เพราะเราเห็นแล้วว่านั้นมันเสื่อมมันเสียแล้วเขาก็ยังโง่อยู่เขายังไม่รู้ว่าจารีตประเพณีวัฒนธรรมหรือว่าไปตั้งกฎตั้งหลักอย่างที่เขาตั้งนั่นนะ่ะมันทําไม่เสื่อมตัวก็เสื่อมสังคมก็เสื่อมหมู่ฟูงเสื่อมเลวร้ายเขาไม่เข้าใจเราก็ต้องพิสูจน์เหมือนกันบอกว่านั่นเปรียญแล้วมันเละเอะเทะแล้วมันเสียแล้วเราก็ตั้งขึ้นมาแล้วเราก็พิสูจน์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในอโศกเราเนี่ยเขาจะเล่นงานเราไม่ได้เพราะเราอยู่ในกฎหลักระเบียบของรัฐธรรมนูญ มาตราที่25้าเราถูกเป๊กแม้แต่ในผลละความบอกไว้ว่าถ้าไม่เป็นไปเพื่อความอะไรไม่สงบสุขของประชาชนนะถ้าไม่เป็นไปก็ผิดกฎหมายแต่ถ้าเราเป็นไปเพื่อความเป็นอยู่สุขของประชาชนหรือเพื่อศีลธรรมอันดีไม่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเอาสิ่งที่เราไปเสนอต่อประชาชนทำให้คู่คนมาเป็นอย่างนี้ มันสอดคล้องตามศีลธรรมอันดีสอดคล้องตามความสุขเย็นสอดคล้องอะไรเพราะฉะนั้นกฎหมายนี้คลุมเล่นงานเราไม่ได้เลยเล่นไม่ได้เล่นยังไงก็ไม่ได้และบอกว่าต้องเอากฎหมายของเทราสมาคมเอาก่อนเราประกาศออกมาจากเทรสมาคมแล้วอ่ะแล้วเราก็มานับถือลัทธินิกายจะเรียกว่าเราเป็นนิกายก็ไม่หว่าตามรัฐธรรมนูญจ่าไว้เลยว่าใครจะมีสิทธิ์รับถือตัดศาสนาลัทธินิกายความเห็นส่วนตน อย่างใดก็ได้ที่ไม่ขัดกับความเป็นอะไรระเบียบอันดีงามศีลธรรมของประชาชนจาาว่าอย่างงั้นเลยในรัฐธรรมนูญซึ่งเราก็ชัดตรงเป้งเลยแล้วเราก็ไม่ได้ทําให้ประชาชนนี่เสียศีลธรรมอะไรมีแต่เจริญอยู่เป็นอยู่สูงอย่างดีด้วยซ้ําไปช่วยเศรษฐกิจของสังคมช่วยเศรษฐกิจของประชาชนช่วยรั ฐ, ฐกิจของประชาชนเป็นคนว่านอนสอนงานไม่ได้ดื้อได้ด่านอะไร ไม่ได้เป็นรุนเร่ออะไรคณะอาโศเราไม่เคยไปทำอะไรบาบาบบบกระเป๊่กระปา้ปาอะไรจะต้องให้ตํารวจมาปราบให้อะไรอะไรมาทำคณะอาโศเราไม่เคยมีชื่อเราไม่เคยไปทํามีแต่อยู่ของเราอย่างสงบจะออกไปประท้วงอะไรบ้างมันอาจจะมีนะอโศจะออกไปประท้วงสักครั้งสักคราวนี่ก็จะต้องประท้วงอย่างมีสภาพที่น่าดูนะน่าดูแต่ไม่ประท้วงได้ดี ตลอดชาติไม่ต้องไปประท้วงเขาเลยก็ได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้ามันจําเป็นจะต้องประท้วงอาตมาว่าจะต้องพาประท้วงอย่างสวยงามอย่างไม่ใช่อันธรพาลไม่ใช่อย่างเลอะเทอะอะไรอย่างที่เขาพากันเป็นบ้าบวมบวมไม่จะต้องเป็นไปอย่างปัญญาชนไปอย่างผู้ดีไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยอย่างมีคุณภาพมีคุณธรรมทําอย่างมีเหตุผลทําอย่างมีหลักการมีอะไรอย่างดีเลยก็เลยวรรณะไม่เอา่啊 แล้วเราก็ไม่ได้เคยมีด้วยในประวัติของเรามาโศกเราก็ยังไม่เคยไปทํายังไม่เคยไม่มีเหตุการณ์อะไรพวกนี้เราอยู่ก็ยังสงบถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเพราะฉะนั้นอ น, นันต์จะเล่นงานเขาแน่นอุตสาหขึ้นไปตะกนเย و ยวเ ย, و ย, و ย و อยู่บนสันติบาลแล้วเสร็จแล้วก็ผู้รู้เขารู้เขาไล่ลงไปจากสันติบาลเฮ้ยอย่าไปฟ้องเลยวเดี๋ยวจะฟ้องขายขียข้หน้าหน้าแตกเดี๋ยวหมอไม่รับเย็บอีกก็เลยไม่ฟ้องอุตสาโอ้โหประกาศออกมาอย่างโ อ, โ อ, โอโหังด้วยนะว่าจะฟ้องฟ้องจับ จับพระโพธิรักไม่เห็นมาจับเลยจับจะจับที่ไหนจับแขนจับมือจับไหล่จับไหนไม่ห็นมาจับจับจับมจับมือเสียไก่นะจับบะไหร่เสียหหมูนะแต่อาตมากินเจแล้วมากินทั้งไก่ทั้งหมูไม่เห็นมาจับมาอะไรนี่ไม่ใช่ประวดดีนะคือเขาผู้รู้เขารู้นะเขาก็เลยเตือนเอาไว้เลย ต้องลงจากสันติบาลกลับไปเงียบจนจากทางป่า น, นี่ไม่เห็นมันโป๊ะโป๊ะโปจะมาจับพระโพธิรักษีกเพราะโดยหลักเกณฑ์หลักการโดยกฎระเบียบวินัยของสังคมเราไม่ได้ผิดและเราก็ไม่ได้ทําให้มันเลวร้ายอะไรเพราะนั่นแต่พูดกันตามพบของตัวเองอะยังแน่อยู่ว่าโศรดิผิดกฎหมายกฎหมายบททถ้าผิดจริงนี่นเขาไม่เอาไว้รองผู้ใหญ่ผู้รู้ทั้งหลายแหล่พู้ที่เขาอยากจะปราบเซียนน้ำมีขนาดออกมาเนี่ย กรมการศาสนายังออกมาอธิบดีกรมการศาสนายังไม่รู้จะทำยังไงหาทางเล่นงานเนี่ยเห็นไหมมันก็แจ้งใจชัดๆอยู่เจตนารม์อยู่แจแจอยู่ว่าจะซัดเจ้าลงไปปราบพระลงไปให้ได้เนี่ยแต่มันปราบไม่ได้เพราะเราเป็นผู้ที่รู้จักสมมตุติสัจจะเราทําถูกต้องสอดคล้องต่างสมมติสัจจะอย่างลึกซึ้งด้วยเพราะงั้นคนที่ตื้นตนๆเขิ น, น, ข น, ขนว่าเราผิดอยู่นั่นแหละเขาจะว่าเราผิดอยู่คนตื้นเขนิน แต่เราไม่ได้คนตื้นเขินนะเรารู้จักสมมติสัจจะอย่างลึกซึ้งตามที่คุณกําหนดหมายมานี่เปี้ยเลยรับรองมาแหม่ว่าความกันเมื่อไหร่ขึ้นศาลเมื่อไหร่เราก็สบายมากจริงๆแล้วก็น่าจะมีใครมาจัดการให้ใหมันแล้วไปตัดสินความไปซื้อทิ้งขึ้นศาลเราก็พร้อมที่จะขึ้นศาลไปจารณในให้ัชัดๆอาตมามั่นใจนะว่าในความชัดแจ้งเนี่เชื่อมือไหม <laughs> เชื่อมือไหม จริงๆนะอาตมาเห็นความชัดด้ยนะเราไม่ได้ไปเพี้ยนไปผิดอะไรเลยความลึกซึ้งในอะไรเราก็เข้าใจเข้าใจในตัวบทกฎหมายภาษาคารมคําพูดอะไรเราก็เข้าใจมันหมายเอาแค่ไหนแค่ไหนเราเข้าใจอาตมาอาตมาเข้าใจอาตมารู้จักอักษรศาสตร์พอความหมายใ น, นยอักษรศาสตร์ต่างๆมีความหมายพอยิ่งกฎหมายนี้เล่นความตามอักษรศาสตร์ตามตัวบทกฎหมายตัวคําพูดความหมายของคําไม่ได้ตีความไปจนทั้งถึงจิตวิญญาณซะเลยนะอาตมาจะเอาทั้งคำเอาทั้งจิตวิญญาณเอาทั้งเจตนาลมด้วย ตีเข้าไปให้กว่าได้เอาหมดเลยให้ครุมหมดเลยถ้าจะขึ้นว่าความสาธยายกันเมื่อไหร่แล้วลก็นี่คือความลึกซึ้งของสมมุติสัจจะซึ่งเราต้องใช้ในสังคมนะถ้าเราไม่มีความรู้นี้บ้าๆบวมๆเหมือนกับพวกพระป่ากรรมฐานไม่รู้เรื่องไม่เอาทิ้งโลกไม่รู้โลกงงยังไงจะไปช่วยมนุษย์มนาอะไรเขาได้จะไปช่วยสังคมอะไรเขาได้ไม่มีความลึกซึ้งไม่มีความรู้เต่าทันสัจจะส่วนนึง แล้วลงในสัจจะส่วนเดียวว่าสมมติสัจจะเออปรมามตสสัจจะซึ่งไม่จริงปรมามตสสัจจะที่ไม่มีสมมติทีสัจจะไม่รู้สมมุติทสัจจะไม่มีโลกวิทูไม่มีศา ส, สนาพระพุทธเจ้าไม่มีแต่อาจจะมีศาสนาอื่นแล้วที่อื่นเขาก็ว่าของเขาไปบอกแล้วแต่ศาสนาพระพุทธเจ้านั้นต้องมีโลกวิทูมีปรโตโคสะมีการรู้ผู้อื่นมีการรู้โลกวิทูรู้สมมุติของโลกรู้จนกระทั่งถึงเจโตปริยานด้วย รู้ถึงอารมณ์ชีวิตจิตใจของคนอื่นได้ด้วยมากน้อยก็แล้วแต่ตามภูมิปัญญาอย่างอารมณ์ของน้อยเนี่ยังไงแค่ไหนอารมณ์ของของจิ๋วนี่ขนาดไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องรู้อารมณ์กันบ้างมัน่อที่จะรู้กันได้ไม่งั้นก็อยู่กันยังไงนะไอ้นี่อารมณ์ยังกบผีกะสางแล้วเราก็ไม่รู้เลยทะเลาะกันใหญ่เลยเราก็ไม่รู้ว่าผีตัวนี้มันดุตรงไหนมันดุทางปากแล้วมันดุทางหูมันดุทางตาหรือมันดุทั้งจมูกแล้วก็ไม่รู้ มันก็อยู่กันได้ยังไงมันก็ต้องรู้ว่าเออคนนี้ไอ้ตรงนี้ปากมันดุนะแล้ก็ต้องพยายามหาตะกร้อใส่ปากเอาหูไม่เป็นไรไม่ต้องไปใส่อะไรมันมันก็อยู่กันได้ใช่ไหมเราก็จัดการพอได้เอออันี้ดุปากก็ใส่ตะกร้อปากมันก็ไม่กัดใครมันก็อยู่กับหมูได้อ่ไอ้นี่มันดุทั้งปากนะไปเข้าใจผิดว่ามันดุทั้งหูเอาไปไอ้นี่ไปสวมหูมันปากมันเลยกัดแหลกเลยมันผิดที่อย่างนี้เป็นต้นมันผิดมันไม่รู้มันไม่ได้ มก็ต้องรู้ใช่ต้องเข้าใจเขาเข้าใจเราเข้าใจผู้อื่นเข้าใจผู้ที่อยู่รวมกันร่วมกันจะประสานกันยังไงจะอยู่สงบสันติหรือจะขัดเกลาช่วยอบรมกันแก้ไขฝึกปลือ ก, กันยังไงก็ต้องเข้าใจถ้าไม่งั้นทำประโยชน์กับสังคมส่วนรวมไม่ได้กว้างไม่ได้ลึกซึ้งไม่ได้เป็นกลุ่มกันที่เป็นอารยชนหรือเป็นประชาชนผู้ประเสริฐกลุ่มมวลหมู่พหูชนที่ประเสริฐทาไม่ได้ ทำไม่ได้นี่มันเรื่องสมมุติสัจจะจะต้องเข้าใจลึกซึ้งอย่างนั้นแล้วเราเรียนไปเนี่ยไม่ได้ไปเร่งรัดพวกคุณนะไม่ใช่มาบีบมาบี้เรานะแต่ศึกษาไปอัตมา ก, ก็ยังบอกไว้ว่าไม่เก่งนะอัตมาจะอธิบายสมมติสัจจะให้พวกคุณฟังไปทั้งหมดว่ามันมีความหมายลึกซึ้งขนาดไหนนี่เขอธิบายพยายามแล้วมันก็ไม่ใช่ง่ายและต้องดูแลต้องมีวินัยต้องมีกฎ ร, ระเบียบต้องมีความเป็นอยู่ที่อาศัยกันอยู่เป็นกรรมปฏิสรโ น, น มีมีกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนนี่เป็นเรื่องของสมมุติทางนั้นต้องอาศัยต้องอาศัยสมมุตดต้องพึ่งพาอาศัยหลักกฎกระเบียบวินัยต้องอาศัยส่วนธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมหรือปรมัตถสัจจารรนั้นเป็นเรื่องของจิตเจตสิกที่มีกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้กิเลสอย่างที่เราศึกษากันอยู่เนี่ยรู้กิเลสแล้วลดละหาวิธีลดละกิเลสในแง่ไหนเชิงไห น, นด้วยเหตุปัจจัยอะไรก่กอให้เราเกิดกิเลส จับตัวไหนได้จับเหตุปัจจัยไหนเอาเหตุปัจจัยไหนก่อนเพราะว่าทำทีเดียวรวบรัดหมดเลยทุกชิ้นทุกอย่างไม่ได้ก็ทําไปแล้วลดลงไปลดลงไปเราก็จะเบาขึ้นเสร็จไปในทีอันไหนเสร็จแล้วมันเสร็จเลยของพุทธเนี่ยตัดกิเลสอันนั้นได้แล้วมันก็เสร็จไปมันถึงมีวันจบไงไม่ใช่ไอ้นี่เสร็ จ, รจประเดี๋ยวไอ้ทำไอ้นี่ต่อเอาไอ้นี่ขึ้นมาใหม่นี่มันก็ไม่เสร็จสิเอาทำไอ้อันหนึ่งได้ทําอันสอง ทำมันสองพอได้อันสามอันสาอันหนึ่งมันขึ้นมาอีกใหม่แล้วเพราะอันสี่อันหไอ้หนึ่งไอ้สองเ่อดขึ้นมาอีกแล้วทีทําแล้วไม่รู้แล้วไม่ได้ของพุทธี่แล้วรู้แล้วมีกัตยานเห็นว่าโอ้จบแล้วเสร็จกิจแล้วแล้วรู้แล้วแล้วมันถึงจะมีวันจบมันไม่วนเวียนนะมันไม่ซ้ํำซากซ้ำแซะอะไรนะของพุทธเนี่ยมันแล้วแล้วมันแล้วเลยเพราะต้องรู้ให้ชัดเลยว่าดิกิีเสรล่างกิเลสออกจริงล่างไปล่างไปล่างไปลดไปลดไปลดไปเป็นปรมัตทสัจจ์ ล้างกิเลสนี่เป็นปรมตทสัจจะแล้วเราก็รู้กรรมกิริยาของสังคมด้วยมีในสมุติสัจจะกรรมกิริยาของในสังคมเราก็ปรับกายวาจาเรากายวาจานี่ถ้าจะเรียกว่าเป็นสมมุติสัจจะก็เป็นแต่มาแต่จิตวิญญาณเป็นประธานจิตวิญญาณเป็นประธานเพราะฉะนั้นมันมีปรมัตทสัจจะเป็นเจ้าเรือนเป็นเจ้าเป็นนายหรือเป็นพระเจ้าเป็นผู้ควบคุมดูแลกายวาจามเมื่อกายวาจา ได้ประธานหรือได้จิตวิญญาณตัวที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นประธานให้ออกกายออกวาจามากายวาจานั้นมันก็ดีที่ก็มันบริสุทธิ์ใจก็มันก็มีคุณค่ามีความรู้จิตวิญญาณนั้นน่ยมีความรู้และเป็นความบริสุทธิ์ที่มันไม่โลภไม่เห็นแก่ตัวไม่ไปต้องไปทําให้เพื่อสมสมในความโลภสมในความอาคตามาร้ายในพยาบาทมันไม่ทํำนี่ไม่แก่แค้นไมริษยา มันลดลงไปได้จริงมันก็เรียบร้อยกายวาจาออกมามันก็ไม่ไปเป็นจะไปเป็นผลหรือว่าไปเป็นไปเพื่อที่จะเกิดการทะเลาะวิวาทอาฆาตมาดร้ายรุนแรงเขียดแขนมันไม่มีนี่หรือจะเป็นไปเพื่อความจะเอาเปรียบเอารักรลุกโมโตสันไม่มีไปเป็นเพื่อราคะมันก็มีทำมึงได้ไปแล้วเป็นคันๆได้ขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็เป็นจริงอย่างนั้นเห็นปรมัตสัจจามก็เป็นจริงกายวาจาออกมาก็เรียบร้อยเพราะปรมัตเป็นเอกนําสมมุติสัจจะ กายวาจามันก็ออกมาดีตามปรมตทสัจจ์มันก็มาตามอย่างนั้นมันก็เกิดบริสุทธิ์บริบูรณ์เกิดความสอดคล้องเกิดความอนุรมปฏิลมเกิดการเป็นไปด้วยดีนี่มั น, เ ป, น, เ, ปนเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาจริงๆและพิสูจน์ปรมตทสัจจ์เราเรียกอิน i ิวิโดทรูสความจริงส่วนตัวส่วนตัวบุคคลอินดิวิโดแปลว่าส่วนตัวส่วนบุคคล ปัจเจกก็เรียกเขาแปลเป็นภาษาสับสับหน่อยอินดิวิโดเขาแปลว่าปัจเจกอินดิวิโดทรูสทรูสคือความจริงเป็นความจริงส่วนของแต่ละบุคคลได้เราก็ได้พึ่งอาศัยของเราคนอื่นเขาไม่ได้มาอาศัยด้วยเราเลยแต่สมมติต่างคนต่างอาศัยร่วมกันสมมติในต่างตาอาศัยร่วมกันมันมีผลกระทบก่อผนลนอื่นมากแต่ส่วนยิ่งมันลึกซึ้งเนี่ยปรัชญาสัจจญาณยิ่งลึกซึ้งแล้ว ย, ยิ่งสุญญาตาแล้วเนี่ยอขออาศัยสุญญตาคุณหน่อยซิไม่ได้ โอ้สุญญตาสงบดีใช่ไหมในขออาศัยสุญญตาคุณหน่อยที่ฉันแหม่รอนรลเกินทุกข์แลเกินขอหน่อยมันอาศัยไม่ได้ของใครก็ของใครสุญญตาคือความไม่มีกิเลสคุณอยากจะอาศัยสุญญตาคุณก็ทํำกิเลสของคุณออกให้หมดของคุณสิเป็นชั่วคราวคุณก็ได้อาศัยชั่วคราวทําได้ต่อเนื่องเป็นอุปจาระคุณก็ได้อาศัยต่อเนื่องอุปจาระแม้ยังไม่มั่นคงยังไม่อั ป, ปนาพยัปานาเจตโสอภินิโรปนาอะไรก็ทำที่ทําที่ตัวเองคุณก็จะได้อาศัยเองเป็นของส่วนตนอินดิวิดอล เขาส่วนตัวของเราขอคนอื่นเอาของเขาไม่ได้เอาของเขาอื่นมาอาศัยไม่ได้ปรมาสสัจจานี้อาศัยของตนส่วนตนแล้วมันจะมีผลเราได้อาศัยด้วยแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ผู้อื่นอาศัยเราได้ด้วยคนที่มีสุญญาตาแล้วไม่มีกิเลสตัณหาแล้วคนอื่นอาศัยได้เพราะว่ามันไม่เป็นภัยใก่ใครมันมีแต่มเมตตาเกือ้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟายสร้างสรรค์ขยนันเพียรมีความรู้ความสามารถ เนมันเป็นตัวเจริญหมดเลยเป็นอริยะหรือเป็นอารยะชนมันตัวเจริญเขาก็ได้อาศัยเรายังมีกําลังวังชามีความรู้แล้วก็สร้างก่อสร้แล้วก็สอนแล้วก็แจกจ่ายทั้งความรู้ทั้งความสามารถหรือแม้มีผลผลิตมีสินค้ามีแรงงานมีอะไรสร้างอีกก็แจกกันไปได้อีกเขาก็ได้อาศัยจากน้ําพักน้ําแรงความรู้ความสามารถของเราเป็นที่พึ่งคนที่เรียน ธ, ธรรมะพุทธเจ้าหรือว่าเรียนสัจจะพวกนี้ได้จริงเป็นที่พึ่งของผู้อื่น เป็นที่พึ่งจริงๆตนก็ได้อาศัยพึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันเกษมเพราะมันไม่ทุกข์นอกจากเราเป็นที่พึ่งของตนเองแล้วคนอื่นก็ไม่ได้พึ่งเราด้วยแต่คนอื่นไม่ได้พึ่งเรามันก็พึ่งแต่วัตถุนอกมันไม่ได้พึ่งแต่อะไรนี่นี่หน่อยหน่อยมันไม่ได้พึ่งอย่างถาวรไม่ได้พึ่งอย่างเกษมมันไม่ได้พึ่งอย่างลึกซึ้งเพราะงั้นใครอยากได้ลึกซึ้งก็ต้องงอหาปรมตทสัจจ์ของตนเองเเองปรมตทสัจจ์ที่จะไปถึงซึ่งวิมุตติหลุดพ้นของตนเองเอาเอง ฝึกฝนไปได้ไปเรื่อยๆก็เจริญไปเรื่อยๆนี่คือสัจจะที่อธิบายคร่าวๆนะสู่พวกเราฟังที่พูด ก, กันอยู่ทุกวันนี้ก็นเน้นเพื่อเขาไปหาสัจจะพวกนี้เขาไปหาปรมัตาสัจจะเป็นเป็นเอกแต่ถึงจางนั้นก็ตามเราอย่าลืมสมมุติสัจจะว่าไม่สําคัญไม่ได้ไม่ได้นอกจากคุณจะเป็นลัทธิอยู่คนเดียวฟังดีๆ น, นะมีเงื่อนไข ถ้าคุณมีลัที่อยู่คนเดียวแน่นอนคุณไม่ต้องเอาสมมติสัจจะเพราะฉะนั้นพระที่ไหนพูดพระที่ไหนบรรยายพูดว่าเอา้เอสําคัญที่ใจสําคัญที่ใจไม่ต้องไปยุ่งโลกเลื่ไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องไปรับรู้อะไรแต่ละก็ล็อกทิ้งวางวางเอาที่ใจเอาแต่กิเลสเอาที่ใจเอาที่ใจอย่างเดียพวกนี้กําลังเอียงแล้วเอียงไปหารัตทิรูศีเอียงไปหาไม่ใช่พุทธออกนอกพุทธกําลังออกนอกทางพุทธไปเรื่อยๆเขาพูดอย่างนั้นก็พูดอย่างไม่เข้าใจ เขาไม่รู really sure. like ibles, really right. kind of really ้ตัวเขาแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนั้นโดยพฤติกรรมของเขาก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาเป็นอย่างนั้นเอาแต่ตัวรอดคนเดียวคนเดียวแล้วมันไม่ไม่เป็นประโยชน์พระหุชนไม่ได้เป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นไม่ได้อยู่เหนือโลกไม่ได้เป็นลัทธิของโลกุตระเป็นลัทธิตนคนเดียวเป็นลัทธิปัจเจกเป็นลัทธิปัจเจกตนคนเดียวและปัจเจกอย่างนี้เนี่ย แม่มันรู้ทำแล้วก็สอนคนไม่เป็นเพราะมันไม่มีปรโตโตกโสสารไม่มีโรควิทูช่วยเหลือเ ฟ, อฟื่องฟายคนอื่นได้ยากได้น้อยถ้าเป็นรัตทธิ์สีร้อยเปสอนใครไม่ได้เลยเป็นปัจเจกร้อยเอร์เซ็นสอนใครไม่รู้เรื่องไม่รู้จริงๆโง่โง่ลงไปหมดเลยทําอะไรของตัวเองก็ยังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นคาําว่าปัจเจกที่ว่าปัจเจกพุทธสอนใครไม่ได้นั่นคือความหมายนี้ความหมายที่มันเป็นรัติฤทธิ์สีแท้ร้อยเปซ แต่ปัจเจกของพุทธนั้นมีปัจเจกขโพธิหรือปัจเจกขพุทธะที่แท้นั้นมีปัจเจกที่มีสัมมาปัจเจกสัมมาสัมพุทธะปัจเจกสัมมาสัมพุทธานั้นสอนคนได้ก็คือรองพระสมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองปัจเจกสัมมาสัมพุทธะแต่ท่านได้ของตนเองเป็นสยังกัพิญยาขึ้นไปเรื่อยๆสร้างความเป็นสยัมภูขึ้นไปสู่สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องไล่มันต้องฟังให้ชัดนะเดี๋ยวนี้อธิบายกันปนเปลเลิศเทอะ พอบอกปัจเจกพุทธะนั่นก็สอนคนไม่ได้ถูกของเขาเหมือนกันในส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ลทัทธิพุทธปัจเจกที่ไม่ใช่ลทัทธิพุทธันถูกของเขาส่วนหนึ่งเหมือนกันออถูกแล้วเขาก็พูดกันแล้วเาก็ได้ความรู้อย่างเดียวความรู้ปัจเจกับพุทธะที่สอนคนไม่ได้อย่างเดียวแล้วปัจเจกพุทธะสอนคนได้ละ่ะคุณมีความรู้ไหมพกคุณต้องรู้นะ เป็นลูกศิษย์พระโพธิรกักเราไม่รู้ปัจเจกพุท ธ, ธะทั้งสองอย่างไม่ได้นะปัจเจกพุท ธ, ธะนีเน่เราก็เรียกให้สําคัญลงไปก็เป็นปัจเจกสัมมาสัมพุท ธ, ธะท่าจะมีบุญบรารมีมีภูมิธรรมมีโพธิญาณไล่กันไปเรื่อยๆช่วยตนได้แล้วแล้วก็เรียนรู้เพื่อช่วยโลกมีโลกวิทูสูงขึ้นสูงขึ้นจะไปเป็นมุตเจ้าคือศึกษาโลกวิทูสูงขึ้นเรื่อยแล้วจะสอนคนไม่ได้ยังไงอ่ะคิดดูสิสอนใครไม่ได้เป็นปัจเจกพุท ธ, ธะสอนก็ไม่ได้บรรลุพระเป็นมุตเจ้าพวกเราจะค่อยสอนได้ก โอ้แล้วในบทฝึกหัดที่แท้จริง่ะพระโพธิสาต์ในโรงมาสอนคนมารู้คนสัตว์ช่วยหรือฝึกหัดแบบฝึกหัดแท้จริงๆทั้งนั้นนี่นี่ก็คือการเรียนที่เบี่ยงเบียงเอียงเอียงเรียนไม่เต็มรูปเรียนมีความรู้กึ่งๆกลางเบี้ยวเพี้ยนมันไม่สมสภาพไม่ครบสมบูรณ์มันก็เป็นอย่างนั้นแค่นั้นเองเนี่ยตามาให้ความรู้ให้ครบครับกลั่นแต่ก็ยังไม่ครบหรอกมันยังค่อยๆบรรยายไปเรื่อยแล้วคนจะได้รับความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยอัตามาก็ค่อยคงัดออกมาด้วยเนี่ยทุกวันนี้แหม ชักเพชรออกมาจากตะลักอยู่ในแกะชักออกมาเรลยเนี่ยเพชรนี่ชักออกมาเรื่อยเม็ดแล้วเม็ดเหล่าเม็ดแล้วเม็ดเหล่าเม็ดแล้วเม็ดเหล่าไม่รู้ว่าอะไรจะหมดแกะยังไม่รู้เลยแต่ยังรู้สึกว่าเรายังมีอาตมายังรู้สึกอาตมายังมีเพชรอยู่ในแกะอยู่อย่านี้ยังชักออกมาไม่หมดหรอกบางบางบางเม็ดนี่ยังไม่รู้เลยว่ามันซุกอยู่ตรงไหนมันเป็นพระไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไหร่ด้วยอาตมาไม่รู้ไปยัดด้วยตรงไหนซุกไว้ตรงไหนไม่รู้เลยตอนนี้ สักวันหนึ่งคงไปควานเจอมาไอยาเม็ดนี้มะแห่มันหน้าออกมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยโอ้โหไปหมกอยู่ได้ไม่รู้ไปหมกไวปตรงไหนยังไม่เรียบเรียงเหมือนพระพุทธเจ้าหรอกพระพุทธเจ้าท่านมีเรียงเป็นลาดับเลยนะเนี่ยจะชักเม็ดไหนออกก่อนออกหลังท่านโอ้สมบูรณ์พราะท่านเป็นพระพุทธเจ้าอาตมามันโพธิสัตว์ระดับแค่นี้ยังยังไม่ได้เรียงตอนนี้เหมือนเศรษฐีบรรนอกทําบัญชีไม่เป็น โอ้รับเลนในกองบุปกรณ์เบะเลยนี่ฟังไว้ข่างบันไดบ้ังฝังไว้ในตุ่มมัลืมนี่ฟังไว้ในตุ่ ม, ม, ฟ, มฟังไว้ข่างบันไดลืมไปแล้วโอ้โหตกตกโดนโ น, นแต่บุญหรือว่าบา ร, รมีของคนเนี่ยถึงแม้จะไปฟังไว้ไหนใครก็ขโมยไม่ได้สักวันหนึ่งมันก็ต้พักออกมาอยู่เองเป็นของของเราทั้งนั้นเป็นคำวิทายาทคนอื่นขโมยไม่ได้โจรโจรกรรมไม่ได้หรอกคุณจะมานั่งฟังว่าอาตมาไปฟังไว้ฝังไว้ใต้บันไดแล้วคุณจะไปให้ดีแล้วจะไปแอบขโมยขุดเอาของอาตมาเหรอไม่ได้กินนะ กรรมสกมวหิกรรมทายาโทของใครของมันขโมยไม่ได้เป็นแต่เพียงว่าเราลืมของเราน่ยแต่เราลืมฝังไม่ยู่อะไรไม่รู้อซุกไว้บนเพดานบนหิ่งบนน่นบนนี่บนที่ไหนฝังตรงนั้นตรงนี้ฝากไว้ตรงนั้นตรงนี้อะไรมันไม่รู้มันตกตกหนหนอยู่ตรงนตรงนี้แต่ของของเรานี่กรรมสกมวหกรรมทายาโทเราเป็นทายาทของกรรมเรของเราท่างนั้นน่ยมันยังไม่เป็นระเบียบเพราะว่ามันยังไม่เก่งบอกแล้วว่ามันเป็นเหมือนเศรษฐีบ้านนอกที่ความรู้ยังไม่มาก ยังไม่ได้เรียงระบบก็รังจัดอยู่เหมือนกันรู้อาตมารู้ว่ามันต้องจัดมันต้องทําระบบทางทำระเบียบ ต, ต้องจัดให้มันเข้าอะไรก็ก็รู้อยู่แล้วก็ค่อยทําไปนัก็เรียบเรียงอยู่ไม่ใช่ไม่เรียบเรียงนะจนกว่ามันจะสมบูรณ์ทุกวันนี้ก็เรียบเรียงไม่ใช่น้อยหรอกอาตมา ก, ก็มีอะไรลดหลันเบื้องต้นทางกลางบรรปลายอะไรก็ถูกอยู่ในเรื่องขั้นตอนหนึ่งในระดับหนึ่งอาตมาทำได้แต่ในระดับละเอียดจริงๆนั้นยังทําไม่ได้นะละเอียดสมบูรณ์หมดเลยหัวหางกลางปลายยังสมบูรณ์ยังไม่ได้เนี่ยบางั้งก็สะสมไปเรื่อย คุณค่าความดีบารมีอะไรก็สะสมไปอยู่แล้วมันก็เหมือนกับเก็บใส่กองกลางไปด้วยเลยๆแล้วคอยไปแยกไปจัดระบีระเบียบอีกทีหลังเป็นการศึกษาไปนในตัวเป็นการสะสมบุญบารมีเป็นในตัวเป็นสิ่งที่ได้ได้สิ่งที่ควรได้อัตมา ก, ก็มาสั่งสมโพธิญาณ น, นั่นแหละก็จะได้ไปเรื่อยๆอย่างจริงอันนี้ก็ไล่ไปยกก็ตั่งถึงโพธิสัตว์ให้คุณฟังปัจเจกก็พูดโพธิสัตว์ก็พูดเพราะฉะนั้นสรุป สมมติสัจจะกับป ร, ป ร, ม, ปรมัตสัจจานั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องง่ายๆว่าในสมมุติสัจจานั้นไม่มีปรมัตสัจจ์ได้แต่ในปรมัตสัจจานั้นจะไม่มีสมมุติสัจจานั้นไม่ได้เพราะในปรมัตสัจจานั้นจะเป็นผู้รู้ทั้งสองส่วนและก็ทํากับสองส่วนนั้นได้เท่าที่บุญบา ร, รมีของแต่ละบุคคล ต้องมีทั้งสมมติทศักดิจจและประมาิตยศักดิอย่าไปพึงเข้าใจอย่างคนที่ก็พูดไม่รู้เรื่องปรมาิตปรมาทิตยไม่ไปยุ่งเกี่ยวสมมติไม่ใช่ศา ส, สนาพูดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ขอยืนยันเลยว่าไม่ใช่โลกุตระบุคคลนี่มีหลักฐานเยอะแยะพวกคุณก็คงจะได้ฟังอาตมาหยิบเอาหลักฐานคําความต่างๆมายืนยันทฤษฎีต่างๆต้องไม่รู้กี่สูตรตัวกี่สูตรมากห้อมล้อมดิ่งไม่หลุดหลอกที่อาตมาพูดนี่นิ่งไม่หลุดหลอกว่าอาตมาพูดโมเมเพราะว่าอาตมามีหลักฐานดีโชคดีท แต่ถ้าพบว่าในปางที่อาตมามีบา ร, รมีมากกว่า น, นี้นะพวกคุณพวกเราที่ได้สั่งสมบุญบา ร, รมีขึ้นมาเป็นคณะเป็นหมู่ที่จะมันก็เชื่อถือยิ่งกว่าเนอาตมาไม่ต้องพูดหลักฐานอะไรพวกคุณ็เชื่อไม่ต้องยืนยันหลักฐา น, นอันนั้นนี้อ้างยิงคุณก็เชื่อเพราะว่ามันมีความจริงอยู่ในตนอาตมาพูดขึ้นคุณก็จะเชื่อมากขึ้นเพราะถ้าความจรงิงต่อความจรงนะิงแล้วมันก็ลงกันมันจะรู้กันมันจะไม่มีปัญหามันจะเชื่อกันง่ายขึ้น เพราะความจริงเหล่านั้นมันจะยืนยันกันในเราก็มีเขาก็มีมันตรงกันโดยไม่ต้องปากบอกไม่ต้องรู้ไม่ไม่ต้องไปแฉออกมาต่างคนต่างรู้ในในแล้วมันรู้มันมีอันที่จริงตรงกันมันมีของของคนนะอยู่ในหนยิ่งไ่เป็นพระพุญเจ้าแล้วโอ้มันพร้อมพร่างไปหมดเลยไม่ต้องพูดกันยาวไม่ต้องพูดกันมากมันแล้วมันก็ไม่ต้องเป็นอะไรต้องการให้มาศรัทธาเริ่มใสมาศรัทธากันมาในตัวเลยมันเป็นสิ่งที่สืบสารอยู่แล้วมันเป็นบุญร่วมกันมันเป็นบารมีร่วมกัน มันเป็นอะไรสืบสารมันเป็นภาวะปัจจัยของวิบากเป็นอยู่จริงอยู่แล้วเป็นไปเองไม่ต้องอยากได้เพราะฉะนั้นอาตมารู้สัจจะนี้อาตมาถึงไม่งอบริวารพระพุทธเจ้าจึงไม่งอบริวารจะไปงอทําไมะนะเราทําไปซี้ใครได้เขาก็จะเป็นเองเขาไม่ได้เขาไม่เป็นเองอาตมาไม่ไหนอนุตโรนี้จะต้องมาศรัทธาตมานะจะต้องมานับถือบูชาตมานะเอาตมาไม่งอหรอกมันใจของเขานะี่ย ถ้าเขาเห็นดีเห็นชอบของเขาเข้าใจชัดสัจจะชัดเชื่อมั่นชัดเขาศรัทธาเองอาตมาไม่ไปง้อเข้ามาให้มันง้อเขามาศรัทธามันได้อะไรเสียเหลี่ยมอาตมาด้วยอาตมาไม่ต้องการนะถ้าใจของคุณไม่มาเอาเองโดยอาตมาแสดงสัจจะนี่ออกมาเท่านั้นนะถ้าสัจจะนี้จริงคุณมียานปัญญารับสัจจะนี้ได้โอ้คนนี้นี่บ่เพชรบ่พลอยแล้วต้องเอาบ่เพชรบ่พลอยนีเองคุณจะทัดเป็นเองนะถ้าเราไม่ใช่บ่เพชรบ่พลอยจริงคุณมียานปัญญารู้ได้ว่าอาตมาหลอก คุณก็นีเองถ้าอาตมาหลอกใช่คุณก็จับได้แต่ถ้าอาตมาไม่หลอกมันเป็นสัจจความจริงคุณมีญาณปัญญาที่จะรู้ซึ้งถึงสัจจได้คุณก็จะรู้สัจจนั้นเองของคุณศรัทธาเรื่อมใสก็คุณเองไม่ต้องไปบังคับกันไม่ต้องไปงอ้อไปงอนกันไม่ต้องหรอกจริงๆเป็นสัจจะ เพราะอตามาท่าบอกว่าอตาตมาไม่ไม่เคยเดือดร้อนเลยนะว่าจะมีบริวารจะมีหมู่กลุ่มหรือไม่จะมีคนมามากมาน้อยไม่อตาตมามีหน้าที่แจกแจงสาธยายเปิดเผยเอาสัจจะออกมากระจายออกไปเอาสัจจะออกมากระจายออกไปเอาสัจจะออกมากระจายออกไปมีหน้าที่เดียว อาสัจจะออกมากระจายออกไปไม่ได้เพื่อลาภไม่ได้เพื่อยศไม่ได้เพื่อสันเสริญไม่ได้เพื่อบริวานไม่ได้เพื่อให้มาเคารพนับถือไม่ได้เพื่ออะไรทั้งนั้นนะที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เนี่ยอัตมาเห็นจริงไม่จริงๆแต่เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่มันจะมีมันจะมีบริวานมันจะมีคนเคารพนับถือมันจะมีอะไรเองเขามันเองมีเขามันเองโดยสัจจะมันจะมีเองมันจะโด่งดังมันจะมีชื่อเสียงมันก็มีของมันเองมันไม่อยากได้ชื่อเสียงไม่เชื่อก็อย่าเชื่อ เรามีสิทธิ์พูดความจริงใจเราต้องรู้กิเลส ข, ของเราจริงๆว่าเราอยากได้ดังๆเราอยากได้บริวารเราอยากได้ให้คนมาเคารพนับถือเรามันมีตัวอยากนั้นจริงหรือไม่อาตมาสอนคุณทุกวันนี้ให้รู้กิเลสตัณหาอุปทานสอนคุณอยู่นั่นแหะอาตมาได้แต่สอนคุณแล้วไม่ดูตัวเองเลยอาตมาก็ต้องดูตัวเองมันมีอยู่ก็ต้องรู้ให้จริงอย่าไปนั่งหลอกตัวเองหลอกใครแต่ใครกัใครกับช่างเถอะหลอกตัวเองแล้วมันชั่วเหลือเกินหลอกตัวเองแล้วมันก็ไม่มีทางเจริญ ว่าลองตัวเองอยู่มันจะเจริญอะไรไม่หลอกอะไรต้องให้จริงให้รู้จริงเห็นจริงแล้วพยายามอย่าให้มันมีสิิส่งที่มันชั่วมันร้ายสิ่งที่มันกิเลสตัณหาอุปาทานให้มันรู้มันจริงแล้วเลิกไปได้คุณเชื่อไหมว่าตัดกิเลสได้จริงๆมันจะเจริญน่ะตัดตัณหาให้หมดเลยเลยจะเจริญจะประเสริฐจะสบายเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอันสมบูรณ์คุณเชื่อไหมเล่าถ้าเชื่อแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรมันก็อย่างนี้อัตมาก็อย่างนี้่คุณก็ต้องอย่างนี้ แต่กิเลสมันจะเล่นงานคุนั่นแหละมันหอแหลกอแหลกคุณก็รู้ตัวเองให้ดีเรารู้ทั้งรู้กิเลสมาเล่นงานแล้วคุณจะเอากรรมันนี่คุณจะไปหล่อแหลกกรมันทําไมชนะมันสิเรื่องอะไรมันชนะเราก็เป้าหมายทิศทางก็รู้อยู่แล้วว่าจะไปเป้าหมายนี้ทิศทางนี้เรื่องอะไรไปอ่อนแออยู่กับมันทําไมรล่อแหลกมันในนาในนายนอยอ่อนเองยอมแพ้เองก็คารเตรียมอยู่ตรงนี้จะไปไหนรอดที่ไม่ได้อะไร แน่ใจแล้วว่าชาตินาจะเกิดมาเป็นคนไอ้เป็นอยากจะเกิดก็พอทันไปทุกชาติทุกชาติขี้หมาเนี่ยมันจะไปเกิดทุกชาติอะไรแล้วก็อยู่คนละภพคนละภูมิน่งคนหนึงอยู่ภูมินรกอีกคนหนึงอยู่ภูมิสวรรค์โอยเกิดวันเดียวกันมันยังอยู่กับคนละที่เลยเกิดวันเดียวกันคนหนึงอยู่ภูมินรกคนอื่อยู่ภูมิสวรรค์มันจะไปเจอกันอะไรอ่ะคนนึงอยู่ฝั่งฟ้าอีกคนหนึงอยู่ฝั่งเหวมันไม่ไปเจอกันได้ยังไงเพราะคุณอยากจะเกิดมา พบปัตมาอยากจะเกิดมาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีด้วยกันไม่ต้องอยากก็ได้ภาคเพียรให้จริงรกันแล้วกันให้เป็นสุปฏิปันโน อ, อุชุปฏิปันโนยายปะปฏิปันโนสามีจีปฏิปันโนให้มันจริงรกันแล้วกันจริงแล้วไม่ต้องอยากเจอกันเองมีภูมิมีบารมีมีอะไรใรมีเหตุปัจจัยที่มันสมพร้อมเป็นเองไม่ต้องอยากอยากให้ตายแต่ไม่มีเหตุปัจจัยมันไม่ได้แต่มีเหตุปัจจัยแล้วแม้อยากไม่มาร่วมยังไม่ได้เลย ถ้ามีเหตุปัจจัยที่มันสมพงหรือวันร่วมบุญบา ร, รมีพักพร้อมได้ขี่ได้เขตได้เกรดได้อันดับไม่บอกว่าไม่ยังไม่ไปยังไม่ได้เลยจะต้องมาจะต้องเป็นไม่ยังไม่ได้เล ย, ตตเ ย, เลยแต่ในสิ่งที่เหนือชั้นจริงๆไม่ก็ยังได้อันนี้เป็นสิ่งที่เหนือชั้นนะบอกังให้ฟั ง, ง, งนะเป็นเอ็กเซปชันเป็นตัวทิ้เลอร์ยอดเหนือชั้นจริ ง, รงๆเลยนี่นะ จนเรามีฤทธิ์เองของตัวเองเนี่ยเราจะตายเองเราจะไม่ไปเราจะไม่มาเราจะไม่อะไรเองได้สามารถที่จะไปหรือจะไม่ไปจะเอาหรือไม่เอาได้นี่เหนือชั้นที่สุดมันเป็นพระเจ้าเลยเป็นตัวมีฤทธิ์แรงจะเอาหรือไม่เอาเรากําหนดเองเลยจึงเรียกว่าพระเจ้าเป็นจิตวิญญาณพระเจ้านั่นเหนือชั้นแต่ทุกคนยังไม่เหนือชั้นอย่างนั้นจริงแล้วต้องมามีดีก็ต้องเป็นกุศลวรบากดีต้องมาเอาดีปฏิเสธไม่เอาไม่ได้ วิบากชั่วติ่ตามทันจะบอกว่าไม่เอาอีกก็ไม่ได้ยิ่งวิบากชั่วได้แล้วใครมันก็ไม่อยากได้แต่มันต้องได้มันต้องเอามันต้องชนคุณนั่นแหละมันต้องเจอกับคุณนั่นแหละมื่ถึงโอกาสของมันครบพร้อมมันต้องเป็นอันนี้ในรายละเอียดที่อาตมาพยายามวิเคราะห์วิจัยชี้ฉีฉี้เอามาให้ฟังพอสมควรนะมันก็ค่อยๆศึกษากันไปเแล้วก็ขอให้เราเรียนรู้อย่าไปประมาดดูถูกสมมติสัจจะนะอย่าไปประมาดเป็นอันขาด ปรมามัติสัจเข้าไปด้วยกันสมมติศีสัจเข้าไปด้วยกันเราจึงจะเจริญมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอยู่ในสังคมกลุ่มหมู่มีธรรมะและมีวินัยเป็นธรรมวินัยอันสมบูรณ์ไม่ขาดไม่พร่องไม่เอียงนะเอาละสำหรับวันนี้พอแค่นี้